ข้อความในจริยาปิดกต่อจากครั้งที่แล้วพระผู้มีพระภาคตรัสเล่าให้ท่านพระสารีบุตรฟังถึงปุพพัจริยาคุณคนที่ทำให้พระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าอีกเรื่องหนึ่งในการเมื่อเราเนี่ยเกิดในตระกูลมหาศาลอันประเสริฐสุดอยู่ในพระนครพรหมวัฒนะในการนั้น เราเห็นสัตว์โลกเป็นผู้ถูกความมืดครอบงำจิตของเรานี่เบื่อหน่ายจากพบเหมือนช้างถูกสับด้วยข อ, อ, อถูกสับด้วยขอด้วยกาลังฉะนั้นเราจึงเห็นความลามมกคือเห็นบาปต่างๆล่าอย่างจึงคิดอย่างนี้ว่าเมื่อไรเราจึงจะออกไปจากเรือนแล้วเข้าไปป่าได้แม้ในการนั้น พวกญาติก็เชื้อเชิญเราด้วยกามัพภคะทั้งหลายเราได้บอกความพอใจแม้แก่พวกเขาเหล่านั้นว่าอย่าเชื้อเชิญเราด้วยสิ่งเหล่านั้นเลยน้องชายของเราเป็นบัณฑิตชื่อว่านันทะแม้เขาก็ศึกษาตามเราชอบใจในบนรรพชาคือการบวชแม้ในการนั้นเราคือโสนะบัณฑิตนันทบัณฑิตและมารดาบิดาทั้งสองของเราก็ละทิ้งโภกคสมบัติทั้งหลาย แล้วเข้าป่าใหญ่ชนี้แล้วนี่ก็พูดถึงจริยาที่ผู้ที่เห็นภายในวัตตะเห็นภายในบาปอคุศสลธรรมทั้งหลายมีจิตใจน้อมไปเพื่อความพ้นทุกข์ในเรื่องนี้นะพูดถึงพระโพธิสัตว์ที่เกิดในตระกูลพราหมณ์มหาสารแล้วก็มีสมบัติถึง80โกรธเป็นผู้เลิศด้วยความเป็นผู้สูงด้วยพิชา ต, ตบุตร เป็นผู้ประเสริฐโดยความเป็นผู้มีวิชาก็เกิดในตระกูลสูงตระกูลใหญ่ขณะเดียวกันก็เป็นผู้ที่มีวิชาความรู้ในยุคนั้นสมัยนั้นก็ถือว่าเป็นผู้ที่เรียนจบวิชาความรู้ทั้งหมดได้ยินว่าในการนั้นพระโพธิสัตว์นั้นจุติจากพรหมโลกบังเกิดเป็นบุตรของพราหมณ์มหาสารคนหนึ่งมีสมบัติ80โกรในพรหมวัฒนนครก็คือนครพาราสีนั่นแหละแต่บางยุก็มีเชื่อเปลี่ยนไป ในวันตั้งชื่อกุมารนั้นมารดาบิดาก็ตั้งชื่อว่าโซนากุมาร น, น, นะโซน ะ, นะคันโซนากุมารเดินได้สัตว์อื่นจุติจากพรหมโลกได้ถือปฏิสนธิในครันของมารดาพระโพธิสัตว์ชื่อว่านันทากุมา น, นในกลับเดียวกันนี้พระนนทท่านก็ไปพรหมโลกเหมือนะนะเพิ่งเเห็นว่าเออพระพระนนทท่านก็ไปพรหมโลกเหมือนกัน ในกับนี้ท่ในกับนี้พระโพธิสัตว์หรือพระอนุนเป็นต้นท่านเกิดในพรหมโลกแล้วก็ไม่ใช่อยู่ในน้อยเพราะนนั้จากสังเกตในชาดกในจริยาปิดอกจะเห็นว่ากับหนึ่งนี่นานจริงๆเมื่อก่อนนี้เราคิดไม่ออกว่ากับหนึ่งมันนานยังไงก็คือขึ้นจากเทวโลกมนุสโลกพรหมโลกเวียนไปเวียนมาไม่รู้กี่รอบตัอกี่รอบกับก็ยังไม่หมดไม่สิ้นเพราะนนั้ความเนื่นนานความยาวความยาวนานของกับนั้นยาวจริงๆ มารดาบิดาเห็นรูปสมบัติของบุตรทั้งสองผู้เจริญวัยเรียนพระเวสเร็จสิลปะทุกอย่างร่าเริงยินดีคิดว่าเราจะผูกพันให้อยู่ครองเรือนอันเมื่อลูกลูกชายทั้งสองคนทั้งโหนากุมานทั้งนั้นทักกูมารร่ำเรียนวิชาจนจบศิลปะวิทยาทุกอย่างอแล้วก็เป็นคนรูปงามก็ปรารถนาจะให้ครองเรือนก็เลยกล่าวกับโสนกุมารผู้พี่ชายก่อนว่า ลูกรักพ่อแม่จกนำธาริกาจากตระกูลที่สมควรมาให้ลู ก, ล, ก, กลูกจงปกครองสมบัติเถิดพระโพธิสัตว์กล่าวว่าลูกไม่ต้องการจะอยู่ครองเรือนลูกจะปฏิบัติพ่อแม่จนตลอดชีวิตเมื่อพ่อแม่ล่วงลับแล้วลูกจกบวชในการนั้นพบทั้งสามได้ปรากฏแก่พระโพธิสัตว์เหมือนเรือนที่ถูกไฟไหม้และเหมือนอยู่ในหลุมฐานเพลิง อันหนึ่งโดยความพิเศษอย่างยิ่งพระมหาสัตว์มีอัธยาศัยในเนคขมมะได้น้อมใจไปในการบวชคือปกตินี้พระโพธิสัตว์เนี่ยนะความเป็นอยู่แต่ละวันแต่ละวันของท่านหรือชีวิตที่เป็นไปเนี่ยเหมือนกับอยู่เหมือนกับอยู่บ้านที่กำลังถูกไฟไหม้นะซึ่งถูกไฟคือชาติไฟคือชรา ม, มรณะเป็นต้น ทุกอย่างก็เป็นสาเหตุแห่งโสกะปริเทวะทุกขโทมณฑและอุปายานนี่แผดเผาเหมือนกับอยู่ในหลุมถ่านเพลิงที่เต็มไปด้วยความเร้าร้อนร้อนระ อ, อุไปหมดเนี่ยก็จริงนะว่าใครที่อยู่ในโลกเนี่ยนะคนที่จะมีความสงบร่มเย็นทางจิตใจนี่หายากโดยมากไม่ร้อนใจเรื่องหนึ่งก็เรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งหมดไปเรื่องใหม่ก็เข้ามา มีเรื่องให้ลำบากใจไปเรื่อยไม่มีจบมันชีวิตจึงเหมือนอยู่ด้วย อ, อยู่ในหลุมฐานเพลิงเรือนที่ถูกไฟไหม้แล้วก็ถูกย่างสดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะพันธุ์ก็เรา่เราร้อนจนไม่สามารถจะอยู่นิ่งๆอย่างมีความสุขได้แม้แต่วันเดียวเนี่ยนะสักครึ่งชั่วโมงอาจจะพอได้เนี่ยนะแต่ว่านานๆเนี่ยนั่งนิ่งๆนั่งอย่างมีความสุขนั่งอย่งาส ง, งสบายใจนั่งอย่างอย่างเป็นผู้ที่มีเจริอกุศลธรรมเจริญอย่าง อย่างดีอย่างเดียวเนี่หายากเต็มทีเพราะว่าโลกนี้มันเป็นอย่างนี้มานานแล้วไม่ใช่เพิ่งเป็นพระองค์ตรัสว่าในโลกเนี่ยนะมันไม่ใช่เพิ่งเป็นอย่างนี้แต่ขณะนี้เท่านั้นแม้เมื่อก่อนในการก่อนก็เป็นอย่างนี้ในอนาคตต่ตอไปโลกทั้งหลายก็เป็นเช่นนี้ผู้มีปัญญาทั้งหลายก็มองเห็นมองเห็นชัดเจนเลยว่าอ้ นะชีวิตอัตภาพที่เกิดมาก็เดินเดินอ่ะว่าเดินไปสู่ชาราและมรณะแล้วก็ทั้งๆที่เดินไปสู่ชาราและมรณะแทนที่จะสบายเปล่าเหมือนกับว่าป่วยแล้วก็ยังไม่ได้สบายอะไรก็เราร้อนอยู่นั่นแหละขณะเดียวกันนั้นท่านเห็นว่าการออกเป็นสิ่งดีที่สุดเนี่ยน ะ, ะไม่ได้เห็นคนว่าการอยู่ การอยู่เฝ้าวะัตตะนี้มันดีตรงไหนมองเห็นว่าการออกจากวะัตตะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดมันอัธยาศัยของท่านจิงน้อมไปเพื่อการออกเรียกว่าไอคว่าออกเนี่ยคือออกจากวะัตตะ์เรียกว่าเนคขมะเนี่ยนะมารดาบิดาไม่ทราบความประสงค์ไม่รู้ความต้องการของพระโพธิสัตว์ก็กล่าวอยู่บ่อยๆครองอยู่นั่นแหละก็ไม่เห็นเออก็ไม่ทใจของพระโพธิสัตว์ ให้เห็นดีเห็นงามไปได้จริงๆก็มีอัธยาศัยที่จะโอวาทแนะนําลูกเอ้ยธรรมดาการชีวิตมันต้องมีการครองเรือนเป็นต้นเนี่ยนะก็พูดถึงอั น, นิสงส์งของการครองเรือนโดยประการทั้งปวงเท่าที่พ่อแม่เห็นอธิบายให้ลูกฟังทุกประการแต่ลูกก็ไม่เอาด้วยเนี่ยนะสรุปว่าทํำยังไงก็ไม่เห็นดีเห็นงามตามพ่อแม่ก็เลยเรียกนันทกุมารผู้น้องชายกล่าวว่า ลูกรักถ้าเช่นนั้นลูกจงปกครองทรัพย์สมบัติเถิดนันถ้ากุมารนั้นก็พูดว่าลูกไม่เอาศีสรับน้ําลายที่พี่ชายของลูกถ่มทิ้งไว้รอ้อนงะเพราะว่าสมบัติเหล่านี้มันยกให้พี่มาก่อนพี่เขามาเอาทําไมลูกต้องเอาหัวไปรับด้ว ย, ว อ, อ, ยอย่างนั้นเอาไปทูลรับอะไรน้ำเสเลน้ําลายอย่างนั้นแม้ลูกก็จะบวชกับพี่ชายเมื่อพ่อแม่ล่วงรับไปแล้วมีลูกชายสองคนสมบัติมากมายลูกชายทั้งคู่ไม่แต่งงานเนี่ยนะ พ่อแม่นี่ก็แมทุกเหมือนกันนะแล้วก็โอวาสสั่งสอนแนะนําลูกละอย่างด้วยกันลูกก็ไม่ยอมสรุปว่าไม่มีใครต้องการเลยมีแต่คนอยากจะออกมาดาบิดาจึงคิดว่าคนนมนมเหล่านี้ยังละกามทั้งหลายได้อย่างนี้ก็ทําไมเราจะละไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะบวชเหมือนกั น, น, นก็คือคนที่คิดอะไรที่มองแบบใกล้ๆเนี่ยนะ ก็ไม่เห็นว่าเอการออกจากกามการออกจากภพการไปบวชเป็นต้นดีอย่างไรแต่ถ้าหากว่ามองไกลๆแล้วจะเห็นชัดว่าให้การหมกมุ่นเพลิดเพลินในทรัพทั้งหลายซึ่งในตอนต้นเนี่ยน่าเพลิดเพลินเจริญใจก็จริงแต่ในตอนปลายในบ้านปลายมันนำมาซึ่งความทุกข์นามาซึ่งความเราร้อนไปหมดนั่นแหละที่แน่ๆก็คือถ้ามีอะไรนะ สิ่งที่เราสแสวงหาโดยเฉพาะทรัพย์สมบัติเนี่ยนะสแสวงหาการสร้างสร้างเรือนเนี่ยนะสมมติาอ่าลงเรือนนะอาาอกาลังสร้างบ้านอยู่ตอนนี้เอาไหมถ้าก่อนจะจุติคิดถึงบ้านที่กําลังเวียนไปเฝ้าออไปทุกอาทิตย์ไปบ่อยเหลือเกินเลยนะไปเที่ยวแล้วมีบ้านอันนั้นเป็นอารมณนะ์เนี่ยเที่ยวไปเที่ยวมามีบ้านเป็นอารมณ์ชาติหน้าเอาไหมลงเรือนนะเกิดเฝ้าอยู่ตรงนั้นหลยเนี่ยนะเพราะนั้นไอ้สิ่งที่เราสแสวงหาที่เรียกว่าทุ่มเทเหลือเกินเนะีนะ่ยบอกมันดูดีไปหมดเลยอ่ะ แต่ถามว่ามีสิ่งนั้นเป็นอารมณ์แล้วตายเอาไหมเนี่ยทำทุกอย่างเลยนะทำทุกอย่างเพื่อให้มีเสื้อผ้างามๆสักชุดหนึ่งได้เสื้อผ้าอันงามอันนั้นมีผ้านั้นเป็นอารมณ์ชาติหน้าเอาไหมไม่เอาอีกนั่นแหละแสวงหากว่าจะได้รถสรักคันหนึ่งอะ เ, เอาไหมตายคารถเลยยังไงนะตายเฝ้ารถเลยเป็นต้ น, นสรุปว่าไอ้ที่หาหาจริงๆหาไปทําไมเอาก็เหมือนกับว่าทุ่มเทเหลือเกินสแสวงหาสละทุกอย่าง ทุ่มเทเอาชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อแลกสิ่งนั้นในที่สุดก็บอกว่าไม่เอาอีกแเอวแล้วทำไมไม่ออกตั้งกันแรกเลยล่ะชั้นใดก็ดีผู้ที่สแสวงหาความพ้นทุกเนี่ยนะเขาจึงเห็นว่าในที่สุดสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ได้เป็นแก่นสารอะไรที่แท้จริงก็เลยมีใจคิดแต่จะออกนีพ่อแม่เนี่ยเจอลูกที่มีอัธยาศัยนักบวชไอการซ่องเสพเกี่ยวข้องกับผู้ผู้เป็นเช่นใดก็จะเป็น ฉช่นนั้นลูกทั้งคู่ก็แมมรอแต่พ่อแม่ตายอย่างเดียวเท่านั้นแหละเนี่ยที่จะยังไม่บวชเนี่ยก็เพราะว่าพ่อแม่ไม่ตายสักทีถ้าพ่อแม่ตายก็จะไปบวชแล้วเอบางทีพ่อแม่ก็คิดมากเหมือนกันนะไอ้จริงๆไอ้ที่เขาอยู่นี่ก็เพราะเรามีชีวิตเพราะฉะนั้นลูกเรายังคิดจะบวชเราก็บวชด้วยดีกว่าก็เลยบอกกับลูกว่าลูกรักประโยชน์อะไรของลูกที่จะบวชต่อเมื่อพ่อแม่ล่วงรับไป พ่อแม่ก็จะบวชพร้อมกับลูกด้วยแล้วให้สิ่งที่ควรจะให้แก่พวกญาติทรัพย์สมบัติดีมีค่าอันใดที่เหมาะแก่ญาติก็ยกให้ญาติไปส่วนพวกทาทกรรมกรก็ปลดให้เป็นไทยเนี่ยนะให้พระราชาปลดเป็นไทยสละทรัพย์ทั้งหมดบริจาคมหาทานก็อย่างที่กล่าวว่าทรัพย์เหล่านี้เนี่ยนะถ้าเราไม่จากมันก็จากเราสรุปว่าเราจากพร้อมกันหรือว่าเอาอยัางไงดีเนี่ยนะ บางทีเนี่ยบอกว่าบางคนเนี่ยนะตายคาซากบ้านตายคาซากเรือนหมายว่าหูาสแสวงหาเพื่อนมีบ้านเรือนแล้วบ้านถูกไฟไหม้ตายพร้อมเจ้าของเลยนะเจ้าของตายพร้อมกับบ้านน่าสนใจไหมมันก็ไม่น่าสนใจนะถามว่าแล้วออกก่อนแล้วปลอดภัยอันไหนดีกว่ากันออกก่อนแล้วปลอดภัยดีที่สุดชั้นใดก็ดีผู้ที่มีอัธยาศัยรู้กรรมและผลของกรรมเนี่ยเขาจึงน้อมไปเพื่อ การออกอย่าลืมว่าการมองชีวิตตามคติพระพุทธศาสนามองสิ่งที่เรียกว่ามันไม่มีที่จบที่สิน้นแต่ละชาติก็เหมือนกับสมมติเราอายุมากๆก็เหมือนค่าๆอย่างนี้แหละเพล้ยเพล้ยเพล้ยเดี๋ยวก็พรุ่งนี้ปรืนนี้ไล่ไปเรื่อยชีวิตแต่ละชาติแต่ละชาติก็ฉะนั้นแล้วเรามีอะไรเป็นคุณธรรมเป็นเครื่องนําออกจากทุกข์พันการออกบวชนั้นก็คือสแสวงหาคุณธรรมเพื่อนําออกจากจากกองทุกข์ทั้งหลาย ของเราทั้งหลายเนี่ย ถ, ถ้าผู้ที่เป็นค า, ารวาสเนี่ก็ถ้าได้ศึกษาพระธรรมนี่ก็ถือว่ามีบุญมากนะไม่ต้องไปบวชเพื่อสแสวงหาพระธรรมอะไรก็มีพระธรรมถึงบ้านช่องเป็นต้นถ้าไม่ขวนขวายไม่ศึกษาเป็นต้ น, นก็น่ า, น, าน่าสงสารเหมือนกันนะสรุปชนทั้งสี่ทั้งพ่อแม่ลูกชายสองคนก็ออกจากพรมวัฒนะนครอาศัยอยู่ในสะใหญ่ดารดาษไปด้วยบัวหลวงบัวขาวในหิมมวันตประเทศ สร้างอาสมอยู่ในป่าอันน่ารื่นรมบวชอยู่ณที่นั้นนะเนีที่พระโพธิสัตว์ขอไปคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสให้พระสารีบุตรฟังว่าในครั้งนั้นเราเห็นสัตว์โลกผู้ถูกความมืดครอบงำจิตของเรานั้นเบื่อหน่ายจากพบเหมือนช้างถูกสับด้วยขอที่มีกำลังฉะนั้นเห็นความบาปคือเห็นบาปต่างๆแล้วอย่างจึงคิดในการนั้นว่า เมื่ อ, อไรน่นอเราจึงจะได้ออกจากเรือนเข้าไปในป่าคาว่าโลกังที่สวานะคือเห็นสัตว์โลกทั้งสิ้นด้วยปัญญาจักสุอันทีภูตังถึงความมืดปราศจากปัญญาจักสุคือโลกโดยมากหมู่สัตว์โลกโดยมากเนี่นะเป็นโลกที่มืดโลกที่บอดโลกที่ไม่มีปัญญาพอไม่มีปัญญาก็ไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรบุญอะไรบาปไอการที่ไม่รู้บุญบาปนี่เหมือเป็นสิ่งที่ เลวร้ายมากก็เหมือนกับว่าเราเข้าไปในใ น, ในตลาดเนี่ยนะแยกไม่ออกว่ายาพิษกับอาหารเห็นกระป๋องมันคล้ายๆกนันนะสมมติว่าเห็นกระป๋องอะไรนะกระป๋องนมกับเห็นกระป๋องยาพิษมันเหมือนกันไปหมดแล้วแยกไม่เป็นเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นคิดหรือว่าเราจะบริโภคอะไรเนี่ยคิดหรือว่าจะบริโภคอาหารเป็นต้นอาจจะเป็นผู้ที่บริโภคยาพิษก็ได้ฉันใดผู้ที่เกิดมาในโลกนั้นจึงเป็น อย่างนั้นโดยมากจึงบริโภคยาพิษพิษคือราคะก็ทิ่มแทงเสียดแทงพิษคือโทสะก็กลุ่มรุมพิษคือโมหะก็กำเริบเสบสารอยู่นั่นแหละฉะนั้นจึงโลกที่ไม่มีตาปัญญาพอที่จะเห็นบุญเห็นบาสนั้นว่าหลายคนนี่เขาบอกเขารู้นะว่าเขาโลภเขารู้นะว่าเขากโกรธเขารู้นะว่าเขาหลงแต่เขารู้ไม่จริงถ้าเขารู้จริงว่าความโลภดวงที่หนึ่งให้ผลชาตินี้ดวงที่เจ็ดให้ผล ชาติที่ดวงที่7ให้ผลชาติหน้าดวงที่2ถึงดวงที่6ให้ผลในชาติที่สามเป็นต้นมันทุกครั้งที่เขาโลภเขาเห็นผลอันนี้เกิดขึ้นไหมเพราะว่าผู้ใดเห็นเหตุผู้นั้นก็ต้องรู้ผลแล้วก็เมื่อผลใดๆที่ไม่น่าปรารถนาก็สาวไปหาเหตุได้ มันก็ต้องเป็นคนที่สาวไปหาเหตุทุกครั้งที่อกุศลจิตเกิดขึ้นคํานวณได้เลยว่าดวงที่1ให้ผลชาตินี้ดวงที่7ให้ผลชาติหน้าดวงที่สองถึงดวงที่6ให้ผลในชาติที่3เป็นต้นไปถามว่าให้ครั้งเดียวเท่านั้น1นบวกหนึ่งได้1ใช่หมหนึ่งบวกหนึ่งได้พันล้านได้เป็นหมื่นล้านพันล้านอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเจตนากรรมแต่ละอย่างให้ผลหาประมาณไม่ได้ไม่ต้องไปนับเพราะว่าก ร, รหน1กรรมจะให้ผลเท่าไหร่ให้ผล กี่ครั้งมันอกุศลที่เราสั่งสมเวลามันให้ผลมันไม่ใช่ให้ผลแค่ครั้งเดียวให้ผลเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านแล้วก็เป็นล้านครั้งก็ไม่ใช่ชาติเดียวด้วยนะให้ผลไม่รู้กี่ร้อยชาติบางทีกรรมเหล่านี้ยังตามให้ผลอีกแสนกับแสนโกดกับข้างหน้าถ้าแสนกับก็ยังชั่วนะแสนโกดกับข้างหน้ามันวิบากที่เรากําลังสเสวอรอยู่เนี่ยไม่แน่อาจจะเป็นกรรมเมื่อแสนโกดกลับที่แล้วหรือมากกว่านั้นก็ได้เพราะสังสารวัตมันเชื่อมกันเนี่ยนะ บางทีนี้ถ้าไม่อาศัยสัพพัญญุตรยานก็ยากที่จะบอกว่าเหตุอันนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่เพียงแต่รู้ได้ด้วยด้วยธรรมะตามที่พระพุทธเจ้าสอนว่าวิบากที่ไม่น่าปรารถนาเกิดจากกรรมที่ไม่น่าปรารถนาวิบากที่น่าปรารถนาเกิดจากกรรมที่ที่ทำด้วยนะวิบากที่น่าปรารถนาเกิดจากกุศลกรรมวิบากที่ไม่น่าปรารถนาเกิดจากอกุศลกรรมแต่กุศลอกุศลไม่ใช่ให้พ้นครั้งเดียว อย่างเขบอกว่าอะไรนะบูชาพระเจดีไม่ไปอบายละเป็นเป็นกับกับเนี่ยนะก็แสดงว่ากรรมเหล่านั้นไม่ใช่ได้ให้ผลแค่ครั้งเดียวทุกครั้งที่เราเพาะเหตดลงไปไม่ใช่มีอ่าเพาะครั้งเดียวปลูกมะม่วงหนึ่งลูกเนี่ยนะมันออกลูกแค่ผลเดียวใช่ไหมไม่ใช่ผลเดียวแล้วมันออกกี่ครั้งต้นมะม่วงบางต้นมีอายุร้อยปีแต่ละปีเนี่ยออกลูกเป็นหมื่นลูกแล้วเป็นร้อยปีเนี่ยถามว่าจะมีกี่ลูกะนะ ออกลูกมากมายฉันได้แล้ววันวันหนึ่งเราปลุกปลูกกรรมในชาวนะขณะเดียวเท่านั้นหรือบอกไม่สร้างกรรมวันละสิบแปดชั่วโมงทำกรรมวันละสิบแปดชั่วโมงแล้วทำกรรมอะไรนะเอาวันวันหนึ่งทำอะไรกันบ้างแล้ววิบากเหล่านี้ถ้ามันให้ผลนะบอกติดป้ายเลยเวลคั t o ูวะยินดีต้อนรับวิบากทั้งหลายทยอยเข้ามาเถอะเอาไหมทำใจได้ไมติดป้ายบอกไม่ว่าง งดรับแขกใช่ไหมวะไม่หรอกหันกรรมที่เราทําแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยอยา่าอย่าคิดเป็นเล่นๆไปนะมันทํามากมาจริงๆแล้ยนะนัญเนคธรรมะเนี่ยทำยังไงที่ใจของเราจะเป็นไปกับสิกขาที่พระพุทธเจ้าสอนเพราะถ้าไม่เป็นอย่างนั้นก็เป็นโลกที่มืดบอดอคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เปรียบเหมือนแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์เนี่ย ถ้าเราไม่ลืมตาที่จะเห็นนี่ก็ น, น่าเสียดายน่าเห็นใจฉันใดนั้นเราก็แปลว่าเป็นโลกที่มืดโลกที่บอดเนี่ยนะโดยมากโล ก, กนั้นเป็นโลกที่มืดโลกที่บอดจริงๆเพราะฉะนั้นจึงขวนขวายทํากรรมเช่นกับศัตรูของตนนะทำขวนขวายทํากรรมเหมือนตนนี้เป็นศัตรูของตนสร้างแต่ความทุกข์หาแต่เหตุแห่งความเดือดร้อนหาแต่เหตุแห่งความเร่าร้อนให้แก่ตัวเอง เขมานึกในใจนะทุกคนเนี่ยทำไมนะเขาไม่สงสารตัวเองกันบ้างเลยนะทําไมเขาช่างใจดําจริงๆริงเขาเบียดเบียนตัวเองไปถึงไหนกันนาะเนี่ยนะหาเหตุแห่งความทุกข์ให้ตัวเองไปถึงไหนหรือว่าเขาเกิดมาเพื่อจะเป็นศัตรูของตนมาดูก่อนผู้เป็นศัตรูของตนด้วยนะผู้ประทุสล้ายตนผู้ทําลายตนผู้สร้างแต่ความเสียหายให้แก่ตนบางคนก็บอกไม่ฉันหาแต่ความสุขให้กับตัวเองนะที่ทําทุกวันก็ทําเพื่อความสุขจริงหรือเนี่ยนะ ทำเพื่อความสุขหรือเข้าใจว่าทุกนี้เป็นเหตุแห่งความสุขเขา้เขาก็มีคนโบราณอยู่คนหนึ่งเขาเขาอยากอายุยืนมากเขาเลยต้องกินยาโดบทุกวันไอยาโดบของเขาคืออะไรเต้มหยกต้มยกกับพวกอะไรนะพวกตะกัว่ว พวกพวกยกพวกตะกรวพวกอะไรเป็นต้นเนี่ยมาต้มแล้วก็ดื่มทุกวันทุกวันคเครียกว่ายาอายุวัฒนะเอาเข้าใจว่าเป็นยาอายุวัฒนะอะแล้วถามว่าจะอายุยืนไหมเออหยกเนี่ยหยกเขอบอกว่าหยกเป็นของแข็งเป็นของเขาเอามาต้มต้มแล้วผสมกับตัวตัวยาอื่นๆอีกร้ายตัวแล้วก็ดื่มทุกวันเค่ละยาอายุวัฒนะมาว่าใช่ไหมอายุวัฒนะหรือยาอายุสั้นกันแน่ในที่สุดก็กลายเป็นยา อายุสั้นแต่เขาเข้าใจผิดอันนี้เรื่องจริงเนียคนที่สร้างกําแพงเมืองจีนนะหละงใจใครที่ไหนลองนั่นแหละเอาหยกมาต้มกินเขาว่ายาอายุวัฒนะเขาว่างั้นเบอกว่าตายุ่ห้าสิบกว่าเองอ่ะวัฒนะที่ไหนเนี่ยนะยาอายุเสื่อมเราไม่ว่าเพราะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นยาอายุวัฒนะชั้นใดก็ดีหรือเหมือนกับคนกินยาแก้ปวดแก้เมื่อยเช่นกลุมยาอะไรนะสารหนูเป็นต้นเนี่ยนะ ถามว่าอนาคตต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นก็เอากินแล้วมันหายปวดจริงๆอ่ะมันก็สบายจริงๆตอนที่บริโภคแต่ในที่สุดคืออะไรชันใดก็ดีบาปที่ทําถึงทาด้วยความหวังความเข้าใจผิดหรือจะด้วยหลงผิดหรืออะไรก็ตามแต่สิ่งเหล่านั้นจะให้ผลไม่น่าปราถนะจะเข้าใจอย่างไรก็ช่างเถอะจะดื่มยาพิษเพื่อมิตรภาพเพื่อสร้างสรรค์มันก็คือดื่มยาพิษชันใดจะด้วยเหตุผลใดก็ตามที่ยอมทําบาป อยากคิดว่าบาปเหล่านั้นจะจะหายไปจะหมดไปแต่โลกนี้เป็นโลกที่มืดเป็นโลกที่บอดเมื่อมืดบอดก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองกําลังเดินบ่ายหน้าไปหาความทุกข์เขาเรียกว่าแค่เหตุผลธรรมดาคนก็ยังไม่ค่อยจะเอามาคิดเช่นตัวเองกําลังบ่ายหน้าไปหาความแก่และความตายบอกไปไหนเนี่ยไปไหนไปรีบไปไปไหนก็ไปแก่และไปตายแค่อย่างนี้ก็ไม่กล้านึกแล้วใช่ไหม จะกล่าวไปยัยถึงความจริงที่เป็นกรรมเป็นความจริงที่เป็นผลของกรรมเนี่ยจึงไม่รู้มันก็พยายามปกปิดตัวเองที่สุดเท่าที่จะปกปิดได้พระโพธิสัตว์ท่านนึงบอกว่าโลกทั้งหมดเนี่ยนะเป็นโลกที่มืดบอดปราศจากปัญญาจาักสุเนี่นะมันจึงไม่รู้ว่าทาดำทำขาวไม่รู้จักว่าทาขาวมีผลอย่างไรทาดาเป็นต้นมีผลอย่างไร เราจะลืมว่าคำว่าธรรมะที่นี้เนี่ยแปลว่าสภาวะธรรมนะสภาวะธรรมทั้งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเหล่านี้จะมีผลต่อไปอย่างไรอย่าลืมว่าการขยับตัวทุกครั้งนี่เป็นกรรมหมดนะเป็นกรรมหมดแล้วกรรมเหล่านี้เราทํากรรมแค่ชาตินี้ชาติเดียวเนี่ยโอ้ยเกิดในวัฏฏะสบายๆเป็นแสนกลับอาชาติเดียวนะแล้วทํากรรมมาทุกชาติแล้วถามว่าเมื่อไหรจะที่สุดแห่งกรรมอยู่ที่ไหนไม่ต้องพูดหรอกที่สุดของกรรมอยู่ที่ไหน ถ้าอารยมรรคไม่เจริญขึ้นเนี่ยนะถ้าอริยมรรคไม่เกิดอย่าวังว่าจะออกจากกรรมได้เพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์ท่านเข้าใจว่าการที่จะออกจากวัตฏะต้องมาเจริญอารยมรรคทีนี้ไอ้ความที่ท่านเป็นกลุ่มบุคคลที่เรียกว่าไม่มีอาจารย์เนี่ยนะโดยมากท่านเป็นผู้ที่ไม่มีอาจารย์เมื่อไม่มีอาจารย์ท่านต้องการหาธรรมเลที่จะค้นคว้าและวิจัยการออกบวชของท่านคือไปหาธรรมเลเพื่อการวิจัยว่าจะออกจากวัตฏะได้อย่างไรเนี่ยนะ พันธท่านจึงไปเลือกเฟ้นไปเลือกเฟ้นแสวงหาสัจธรรมพันการออกบวชทุกชาติเนี่ยออกบวชเพื่อแสวงหาอริยมรรคเพื่อแสวงหาอริยมรรคบางชาติเน้นเจริญสัมมาวาจาบางชาติเน้นเจริญสัมมากรรมตะบางชาติเน้นเจริญสัมมาสมาธิบางชาติเน้นเจริญสัมมาวายมะบางชาติเน้นเจริญสัมมาทิฏฐิบางชาติเน้นเจริญสัมมาสติเป็นต้นพันธ การที่กว่าพระองค์จะรวบรวมโพธิปัตยธรรมสําเร็จนั้นจึงเป็นสิ่งที่ยากกว่าจะสแสวงหาประสบความสําเร็จพันทุกชาตินั้นจึงสแสวงหาว่าสแสวงหาอริยมรรคว่าอริยมรยมรคที่จะทําให้พ้นทุกนั้นอยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหนจะบรรลุอริยมรรคเหล่านั้นได้อย่างไรที่จะออกจากวัตฏะทั้งหลายท่านท่านคิดอย่างนี้ตลอดเมันเจตนาตัวนี้จึงไม่เปลี่ยนแปลงมีอยู่สูตรหนึ่งพระองค์บอกว่า เราเที่ยวแสวงหาว่าอะไรเนอคืออัสาธาอาทีนะ อ, อะไรเนาะคือเหตุเกิดความดับอัสาธาอาทีนวะนิสรณะของอุปาทานขันห้าเราก็เที่ยวแสวงหาเราก็เห็นแล้วซึ่งเหตุเกิดเห็นแล้วซึ่งความดับเห็นแล้วซึ่งอั า, าธาอาทีนวะนิสรณะของอุปาทานขันห้าทีนี้ถามว่าท่านเริ่มแสวงหาเหตุเกิดความดับของอุปาทานขันห้าท่านแสวงหาตัาง้งแต่เมื่อไหร่ สแสวงหาอาัศาธาอาทีนวะนิสรณะของอุปาทานขันห้าแสวงหาตั้งแต่เมื่อไหร่บอกว่าสอสงไขยแสนกับตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรนั้นสแสวงหาสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่ว่าจะพบจะจะเห็นได้ง่ายๆเนี่ยนะแล้ก็เที่ยวสแสวงหาแต่ของเราก็ถือว่าเป็นอนนพ่อหาทรัพย์มาให้แล้วอ่ะนะเอาถ้าท่าก็บอกว่าเออของเราก็ต้องไปหาแบบพระองค์สิมัง น, น, นับถือพระพุทธเจ้าทําไม นี่ก็เหมือนกัรเนี่ยนะพระพุทธเจ้าพระองค์สแสวงหาจนเห็นหมดแล้วจึงเอามาบอกมาแต่งตั้งบัญญัติเผดเผยให้รู้ทําให้ง่ายทํำยังไงที่เราจะรู้ตามหน้าที่ของสาวกก็คือทํำยังไงที่จะรู้ตามก็เลยบางคนก็เลยคิดกลับไปหากระบวนการผลิตอยากจะไปผลิตแบบนั้นเนี่ยนะทั้งๆ้ที่บอกว่าแม้กระหายเลือกเกินเขาเอาน้ํามาเป็นถังให้บอกว่าถ้าฉันไม่รู้วิธีกรองฉันจะไม่ดื่มน้ําเด็ดขาดอย่างนั้นนะถ้างั้นก็กระหายต่อไปก็แล้วกันช่วยไม่ได้ ก็เราจะได้เป็นเช่นนั้นเล ย, ย น, นนะนบทว่าตะโมตถัดตังคือถูกความมืดครอบงำเนี่ย น, นะคือสัตว์เนี่ยนะครับว่าถูกสัตว์ถูกความมืดครอบงำก็ก็คิดดูกันแล้วกันนะทวนอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าลองแบบปิดตาให้สนิทจับหมุนรอบตัวอย่างเร็วพันรอบแล้วปล่อยให้เดินจะเดินไปไหนดีชั้นใดก็ดีของเราเนี่ยนะตาปัญญาไม่มี แล้วก็จากคันสู่คันมันมุนมาไม่รู้กี่หมื่นล้านรอบแล้วท่านก็เลยหลงไปหมดไปม า, าเธอมาจากไหนไม่รู้เธอจะไปไหนไม่รู้ไปไปทำไมไม่รู้สรุปว่าไม่รู้สักอย่างแต่ว่าไปวัปววาวานๆหนึ่งก็แล้วกันเอาถามว่าแล้วอะไรพาไปอะ่ะก็แล้วแต่บางครั้งก็โลภพาไปบางครั้งก็ความโกรธพาไปแต่ว่าโดยมากก็จะไปด้วยความโลภหรือความโกรธก็โง่ทั้งคู่นั่นแหละเพราะไม่เคยคิดจะไปเห็นอริยสัจอะไร ณจุดนั้นเราต้องเห็นอริยสัจณ์แห่งนั้นจะเห็นอริยสัจณ์ตรงนั้นเราจะไปพิจารณาอริยสัจจอมเขามาเล่าว่าเขาจะไปต่างประเทศเอาก็ไปสิไปที่ไหนก็ไปเห็นอริยสัจไปดูอริยสัจไปเถอะเนี่ยนะบอกไม่ไปไม่ได้ครอบครัวก็ให้ไปว่างั้นเอาเขไปก็ไหนๆก็ไปแล้วก็ไปพิจารณาอริยสัจที่นั่นทุกสั์เต็มไปหมดเลยไปพิจารณาอริยสัจนะไปเพื่อให้มันเห็นอริยสัจนะก็ต้องมีเป้าหมายชาัดเจนใช่ไหมไปเพื่อพิจารณา ไปเพื่อทําปริญญาในทุกขศาสตร์ไปเพื่อละสมุทัยศัตร์ไปเพื่อทํานิโรธศัสตร์ให้แจ้งไปเพื่อเจริญอริยมรรตไปเพื่อแทงตลอดอริยศาสตร์ถ้าอย่างนี้ก็มีทิศทางที่ชัดเจนถ้าไม่อย่างนั้นอไปมีแต่ไปก็ไปไปไหนไม่รู้ไปไปหาชาราและมรณะแหมพูดเป็นภาษาไทยฟังยากยากแปลว่าไปตายว่างั้นแต่ใครพูดความจริงอย่างนี้ทําใจไม่ได้นะบอกมาแช่งฉันนี่โอ้ยไม่แช่งก็าตายเชื่อเธอ ไม่พูดยังตายเลยใช่ไหมบทว่าจิตตังภวะโตปฏิกุตตนะิคือจิตของเรานี่เบื่อหน่ายใจนี่หดหูท้อแท้จากพบทั้งหลายมีการมาพบเป็นต้นคือใจของพระโพธิสัตว์เนี่ยนะพระองค์บอกว่าใจของพระองค์เหมือนกับขนไก่ที่แห่เข้าไปในไฟท่านมองเห็นชาติทุกชาติการเกิดทุกพพ ไฟสิบอ็ดกองไฟคือชาติชรามระโสกาปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาตแผดเผาอยู่อย่างนั้นใจของท่านเหมือนกับขนไก่ที่แย่เข้าไปในพบทุกพบแย่เข้าไปนี่แยงหมดเลยนะเพราะว่ามันไม่น่าเอาแม้แต่อย่างเดียวเนี่ยนะก็ เคยคิดไหมบอกโอ้โหอันนั้นก็เบื่ออันนี้ก็ไม่เอานะแย่ yeah, เข้าไปแล้วใจนี่ถอยกลับมาหมดเลยเป็นต้นเนี่ยนะถ้าลักษณะนี้ได้ก็แสดงว่าอนุภาพของปัญญาปัญญาที่สั่งสมมานั้นมีพะละกำลังอย่างเต็มที่นั้นก็เลยจิตนี้ท้อแท้จากพบทั้งหลายเพราะท่านเห็นว่าทุกอ น, นะชาติสัต ว, ว, ว, ว, ว์ทั้งหลายนอันชาติผาเกิดชาราก็ติดตามพญาทีก็ครอบงามรณะก็ประหาร ทีนี้ไอ้เกิดแก่เจ็บตาอย่างนี้เชื่อเถอะไปเสียอกเสียใจมากับทุกเรื่องอ น, นะมีตรงไหนบ้างตำแหน่งไหนบ้างที่ไม่ไม่เข้าไปเศ้าใจเนี่ยนะตรงนี้มีลุงเรืองเป็นพระเอกขนาดไหนเชื่อเถอะตารางทุกตารางนิ้วของแผ่นดินลุงเรืองลุงเรืองไปเครียดมาหมดแล้วเชื่อเถอะนะไปสเสวยไปทําบาปมาหมดแล้วไปโกรธมาทุกแห่งนะเชื่อเถอะอยู่ที่นี่นั่งหัวเราะนั่งยิ้มๆกลับไปบ้านไม่รู้ว่าใช้พระเดชพระคุณขนาดไหนไม่ทราบ ก็คือสรุปว่าที่ไหนมั่งที่ที่ไม่ทํากรรมทั้งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมทุกคนทุกแห่งเป็นที่ไปไปทำกรรมทั้งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเนี่นรรยรรรระรรนะพบต่อต่อไปจะเป็นอย่างไรเนาะคือก็เพราะไอ้ความที่ท่านเห็นว่าอะไรคือเหตุอะไรคือผลอะไรคือเหตุอะไรคือผลพระองค์ก็เลยมาคํานวณถึงเหตุมาพิจารณาถึงเหตุว่าจะตัดสาเหตุของวัตฏะได้อย่างไรเพราะหลักการของพระพุทธเจ้า ของพระโพธิสัตว์ก็คือว่าจะตัดเหตุได้อย่างไรบทว่าตุ ต, ตะเวะค่ะตังวิยะเหมือนช้างถูกสับด้วยตะขอด้วยกำลังนะหัวมีน้ําเหล็กเรียกว่าอุตตะไม้ยาวเรียกว่าปะโต ะ, โตะงันช้างอาชาในถูกสับด้วยขอด้วยกำลัง เป็นพูดถึงความสลดใจชันใดใจของเราก็ถึงความสลดด้วยการพิจารณาโทษแห่งกามทั้งหลายชันนั้นเนี่ยนะก็คือไอ้ตะขอเนี่ยนะถ้าสับลงไปในหัวถ้าสับตรงๆมันก็เจ็บอยู่แล้วใช่พอสับจากละงัดขึ้นนะพอพอใช้ตะขอเนี่ยขวดก็ไปทิมไปลึกนะแล้วงัดขึ้นขุดไปละงัดขึ้นเหมือนขุดดินอะนะเหมือนขุดดินอนะขุดงัดขุดงั ด, ข, ด, งดขุดงัดเนี่ย ถามว่ามันจะเจ็บปวดฉันใด เ, เจ็บปวดขนาดไหนฉันใดผู้ที่มีปัญญาก็เห็นสับมันมีแต่ความเจ็บปวดเข้าไปเกี่ยวข้องกับวัตถุใดๆก็เต็มไปด้วยความเจ็บปวดเนี่ยนะมันก็เจ็บจริงๆนะหลายคนเขามาเล่าให้ฟังบอกเออเชื่อแล้วว่าเจ็บเอาก็วะตะมันก็เจ็บอย่างนี้แหละเนี่ยนะเชื่อเนี่พระพุทธเจ้าถ้าหากว่ามันเย็นไปที่ไหนก็มีแต่สงบร่มเย็นสบายอย่างเดียวพระพุทธเจ้าก็ไม่รู้สอนให้ออกทําไมเหมือนกับว่า เราคิดอีกให้ดีนะพระพุทธ เ, เจ้าเนี่ยไม่ต้องการให้เราสบายในวัตะหรือยังไงไม่ต้องการให้เราไปเที่ยวเก็บดอกไม้หรืออย่างไรพองศ์ก็บอกว่านั่นมันดอกไม้มนนันหนังเงันนะเพราะว่าดอกไม้เหล่านั้นถ้าเก็บแล้วมันเสียค่าปรับแพงนะเสียค่าปรับแพงเนี่ยถูกจําคุกเอาไว้ในเพราะมันเหมือนกับว่าไปเก็บดอกไม้ดอกเดียวอ่ะแต่ว่าถูกเข้าเรือจนจํำนี่ถามว่าน่าสนใจไหมฉันไดเนี่ยนะแล้วเรือนจําที่แบบทุกโทษเต็มที่ฉันใด ถ้าเราเพลินดอกไม้ในวัฏตะแล้วต้องเฝ้าวัตฏะเนี่ยนะมันจะเจ็บปวดรั่วราวมันจะทุกข์ร้อนขนาดไหนะนั้นอนุภาพของปัญญาจึงมีการพิจารณาพิจารณาเห็นทุกโทษพิษภัยของสิ่งเหล่านั้นอย่างเต็มที่บทว่าทิศวานาะวิธีตังป่าปังเราเห็นความลามเห็นบาปทั้งหลายปาปะเนี่ยแปลภาษาไทยว่าลามกลามมกก็แปลว่าบาปนั่นแหละ คือเราเห็นความลามมกของสัตว์ทั้งหลายผู้มีกรรมอันลา ม, มกมีปาณาติบาตเป็นต้นนะก็มาเป็นคนที่ชอบสนใจชอบดูเกี่ยวอะไรที่มันเกี่ยวกับสงครามเลยชอบดูมากแม้กระทั่งเครื่องอากาศที่เรามองเห็นเเนี่ยนะอากาศทุกเกือบจะทุกแห่งเนี่ยสัตว์ตายหมดเลยเพราะอะไรเพราะตัว อ, อย่างสมัยเนี่ยก็สมัยใหม่ก็เห็นชัดก็คือเครื่องบินมันระเบิดได้ทุกจุดในบนอากาศใช่ไหมโยม มันระเบิดได้ทั้งหมดเนี่ยนะก็บอกว่าแม้แต่เอ้าบนน้ำอะ่ะบนน้ำนี่เรือเรือเรือรบเนี่ยมันระเบิดกี่กี่กี่ร้อยลาแล้วบนอากาศเนี่ยนะเรือเอ่อเรือบรรทุกเอ่อเรือเรือเนี่ยมันระเบิดไปเท่าไหร่แล้วคนเนี่ยตายไปเท่าไหร่ไอ้ตายบนอากาศนะไม่ใช่ตายน้อยๆเลยอะ่ะแล้วบนดินน่ยนะทุกแห่งเนี่ยบนผืนดินเนี่ยตรงไหนที่ไม่ท่วมด้วยคราบเลือดคราบน้ําตาเป็นต้นมันเต็มไปหมดแล้วที่น้ําอ่ะน้ําทะเลอ่ะ แล้วพวกปลามันเข็นมันฆ่ากันขนาดไหนสัตว์มันทําปานาติบาสมันตายขนาดไหนนี่บนบนโลกนี้แล้วที่มนุษย์แล้วเดรฉาเน่ยมันเข็นฆ่ากันเองแล้วเปรตที่มันเข็นฆ่ากันแล้วที่สัตว์นรกมันฆ่ากันเองนะมันเต็มไปด้วยปานาธิบาสมันทุกเห็นโลกเนี่ยนะมัวแต่ทาบาปมันมัวแต่เข็นมัวแต่ฆ่ากันทั้งๆที่เหมือนกับว่าไม่ฆ่าแล้วเขาจะไม่ตายอย่างนั้นนะที่ไหนได้ก็ไอจะตายอยู่แล้วก็ยังฆ่ากันเพื่อให้ ตายส่งเออคนเนี่ยบางทีมันใจเนี่มันเหี่ยมขนาดถึงว่าถ้าเขาตายเร็วขึ้นแม้แต่1 น, นาทีก็เชื่อว่าตัวเองประสบความสําเร็จใช่แล้วเปิดประตูนรกให้ตัวเองได้สําเร็จนะการทําปาณาติบาตก็เหมือนกับการเปิดประตูนรกให้ตัวเองสําเร็จนั่นเองฉันใดไอ้ความที่ไม่มีปัญญาก็ฉันนั้นจึงน้อมไปเพื่อทําปาณาติบาตมันทุกแห่งในโลกนเนี่ยนีหาดูเถอะตรงไหนที่สัตว์ไม่ทําปาณาติบาตมีไหม เอางตรงไหนที่สัตว์ไม่ตายเข้ามาไม่เชื่อเลยไม่มีเพราะว่าเนี่ยที่กระพริบตาตาที่อ่านพระไตรปิฎกเนี่ยนะมแมลงยังบินมาตายเลยนะเนีย่ยตายมาแมลงเคยตายตายที่ตาไหมใครไม่เคยมแมลงตายที่ตาบ้างเคยเนี่ยนะหายใจเข้าหายใจออกมันมันเข้าไปตายอีกจนได้นะพูดไปพูดมานะมันเข้าคอไปตายอีกก็มันบินเข้าหูไปตายที่หูอีกนะโอ้แล้วที่ไหนได้อะ ก็บอกโอ้ยมือที่จับคัมภีร์นี่เมื่อก่อนเนี่ยโอ้ยฆ่าสัตว์เยอะเนี่ยนะก็เห็นว่าที่ไหนวาง ท, ที่ที่ไม่ใช่สัตว์ตายไม่มีเนี่ยนะทุกแห่งในในส่วนทุกแห่งของร่างกายเนี่ยตามผิวหนังอายุงบินมาตบแผ่นนั่นแหละตาชายยัยตรงนั้นที่ลานแห่งจุติปฏิสนธิแดนทหารอยู่ทั่วทุกขนทุกแห่งไปหมดที่ใดมีตานาธิบาทีท่นั้นอธินนาทานเป็นต้นอยาคิดนะว่าจะไม่มีพันทุกขนทุกแห่งเป็นลานแห่งการ คิดง่ายๆว่าท like ุกแห่งเปิดประตูอบายได้หมดเลยทุกแห่งเปิดประตูนรกเปรตอสุรกายและเดรชาได้หมดเลยนะเพราะฉะนั้นทุกแห่งเนี่ยนะสัตว์จึงเกิดได้ไม่น่าเชื่อนะอย่างไอ้ร่างกายของเราเนี่ยนะนอนมันไตตุตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บมันวิ่งแบบวิ่งะเคยดูในรูปมันน่ากลัวจริงเลยนะมันทุกแห่งเนี่ยนะมันมัน เป็นที่ที่ทำปานาติบาตที่ที่ทำบาปที่ที่ทำอกุสนไอความที่ท่านถือคือก็อย่างว่าทวนอีกครั้งนึงว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยนะในในทุกสูตรเนี่ยท่านสิ่งที่ท่านคิดคือระหว่างกุศลกรรมาบทกับอกุศลกรรมบทนี่คือความคิดยืนพื้นของท่านท่านเป็นคนที่เห็นโทษของอกุศลกรรมบทเพราะอันนั่นคือประตูนรกะนะ ประตูอาบายประตูเดรฉานเป็นต้นเมื่อท่านเห็นปั๊บตรงไหนปับ๊บนั้นแล้วที่ไหนมั่งมันทําอกุศลกรร ม, มบทไม่ได้แล้วจะออกได้อย่างไรและจะออกได้อย่างไรท่านก็คิดแต่อย่างนี้นะจริงๆอ่ะพูดอีกในหนึ่งก็เพราะท่านเหล่านั้นเป็นเป็นผู้ใคร้ประโยชน์ต่อตนในอย่างเนี้ยอย่างดูในหน้า416เนี่ยนะอัตถกามูคือผู้ใคร้ประโยชน์ตนพระโพธิสัตว์โดยพื้นฐานเจริตของท่านเป็นอย่างนั้น เป็นผู้ที่สแสวงหาประโยชน์เพื่อเพื่อตนก็คือเนื่องจากท่านกลัวบาปที่ท่านกลัวบาปก็ท่านกลัวทุกต่อไปในอนาคตเนี่ยนะ <c oughs> ที่นี้ถามว่าเมื่อสัตว์ทําความชั่วได้ทุกหนทุกแห่งคิดถึงอะไรก็ไปอบ า, ายหมดอย่านั้นเถอะก็อย่างที่อ่านเปตแต่วัตถูกดิเนะสัตว์นรกเนี่ยสัตว์นรกเวลาตายจากนรกมาเกิดเป็นเปรตชิ้นเนื้อนี่มาอย่างไงบอกว่าแวบจุด ก่อนจะจากนรกก้อนเนื้อเหมือนกับนึกถึงเนื้อสักชิ้นหนึ่งอะนะนั่นแหละคือพบต่อไปของตัวเองบางทีเนี่ยนะอย่างเคยเห็นคนที่เขาสับกระดูกอยู่ทั้งวันทั้งคืนเป็นต้นเนี่ยนะอยู่กับกระดูกทําอะไรเกี่ยวกับกระดูกตลอดถ้ามีกระดูกเป็นอารมณ์แล้วเกิดที่ไหนดีมีแต่เนื้อเป็นอารมณ์มีแต่สัตว์ที่กําลังจะตายเป็นอารมณ์เป็นต้นเนี่ยนะพบต่อต่อไปเขาจะเกิดที่ไหนเพรา ะ, ะท่านเห็น กรรมมีปาณาติบาตและนิมิตของกรรมเครื่องหมายของกรรมและในโลกนี่นะเขาบอกว่าวิชาสายปาณาติบาตถ้าใครทําศึกษาเรียนจนประสบความสําเร็จเคยได้ยินไหมว่าใบไม้ก็กลายเป็นอาวุธได้มองเห็นใบไม้ก็เอามาทําเป็นอาวุธได้เพราะทุกอย่างเป็นเครื่องมือในการทําปาณาติบาตเป็นเครื่องมือที่จะให้ทําอธินาทานเป็นต้นได้หมดเลย อนนมันหมู่สัตว์ทั้งหลายวางแผนที่จะเอาวัตถุในโลกเพื่อทาปานาติบาตเพื่อทรมัทินนาทานเป็นเอื้อมไปหาการเมสุมิชฌาจารย์เป็นต้นน้อมเอาวัตถุเหล่านี้ไปทาความชั่วได้หมดมันเสร็จแล้วตัวเองก็ทำชั่วน้อมไปที่จะทำชั่วจะไปไหนดีเนาะก็เลยเห็นว่าโอ้ผู้ที่ครองเรือนโดยมากใช้ชีวิตอยู่ด้วยอัคติทั้งหลายมี ฉันทากติด้วยโทสาคติโมหาคติและพยาคติพอชีวิตเต็มไปด้วยอักติในที่สุดก็แก้ปัญหาด้วยการทำบาปและอกุศลนะแก้ปัญหาด้วยปานาติบาตแก้ปัญหาด้วยอธินาทานแก้ปัญหาด้วยการเมสุมิฉาจารเป็นต้นเนี่ยนะอย่างไอไฉันทากติเนี่ยนะทำด้วยความชอบในที่สุดก็ไหลไปหาปานาติบาตจนได้เนี่ยนะ มันก็อย่างที่เราเห็นภาพเห็นข่าวบ่อยๆนั่นแหละคือเป็นผลพวงจากฉันทาคติเป็นต้นเนี่ยนะผลพวงของความรักผลพวงของความกโกรธผลพวงของความลุ่มหลงและผลพวงของความกลัวกลัวคนอื่นเขาจะฆ่าตนก็เลยฆ่าคนอื่นซะ ก, ก่อนเป็นต้นนะเพราะนั่นะนอันนี้ผลพวงของความโลภโกรธหลงความโง่เขลาเนี่ยนะก็ใช้ชีวิตเล่นไปหาปาณาติบาต ไปเพื่อทําปาณาติบาตเนี่ยนะคนไปทําปาณาติบาตนี่ดีใจมากนะโอ้ยเต็มใจเต็มที่นะหึกเหิมมากเลยนะเชื่อไหมพวกที่ไปฆ่านี่หึกเหิมมากเลยโอ๊ยองค์อาจสางพาเผยเชียร์กันแต่ว่าไปเพื่อเว้นจากปาณาติบาตนี่ง้อยอนะไปเพื่อ บาปอากุศลนี่โอ้ยมันแหมมันพลังเรี่ยวเรียวแรงเนี่ยมันรู้มันเต็มอกเต็มใจมั่นคงอะนะเชื่อไหมแต่ถ้าไปทํากุศลนี่ง้อยเนี่ยนะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยร่าเริงไม่ค่อยอาจหารเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะมีจิตใจที่น้อมไปเพื่อทําบาปและอกุศลเนื่องจากว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะเป็นบอดไม่มีตาปัญญาพอที่จะรู้ว่าอะไรเป็นเหตุแห่งความเจริญแล ะ, และเหตุแห่งความเสื่อมก็ใช้ชีวิตเพื่อเพื่อทํา เพื่อประทุสร้ายตนเพื่อทำลายตนเนี่ยนะแต่ก็เท่าที่ได้ศึกษาจากพระธรรมคําสอนเนี่ยดีใจแล้วที่ได้รู้ดีรู้ชั่วก็ว่ายังละไม่ได้ยังเว้นไม่ได้ยังกําจัดไม่ได้ถ้าโดยส่วนตั ว, ตวมาบอกว่าดีใจแล้วที่ให้มันรู้บุญรู้บาปรีดูดีรู้ชั่วขนาดนี้เนี่ยนะอย่างทำบุญมากไม่ได้มันลดบาปได้ขนาดนี้ก็ถือว่าพอใจเนี่ยนะ เพราะอะไรเนาะไม่อย่างนั้นก็กลายเป็นแบบผู้เป็นศัตรูของตนหลายคนก็บอกว่าโอ้ยเนี่ยนะก็ศึกษาธรรมะ ก, ก็ยังละอะไรไม่ได้บอกไม่ไปทําบาปหนักๆก็ดีใจแล้วละ่ะเนี่ยนะถึงว่าอะไรนะยังไม่นี่ก็ยังไม่ทําลายตัวเองได้ก็ยังยังไม่ไปเที่ยวเปิดประตูนรกเอาไว้ก็ถือว่าดีใจแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นทํายังไงที่จะสร้างบันไดไปสุขคติให้ได้ตรงนั้นต่างหากที่ควรจะภาคเพียรและพยายาม บทว่าเอวังจินเตสหังตถาเราจึงคิดในขณะที่เป็นโซนะ ก, กุมารอย่างนี้ว่าเมื่อไรเนาะเราจะตัดเครื่องผูกพันในเรือนดดช้างใหญ่ตัดเครื่องผูกทำด้วยเหล็กได้ฉะนั้นแล้วเข้าไปป่าออกจากเรือนเนี่ยนะก็คื อ, อขึ้นชื่อว่าเกี่ยวกับการครองเรือนเนี่ยนะถ้าคนที่ไม่มีบุญไม่มีปัญญาจริงๆอ่ะเชื่อไหมประกอบอาชีพน อ, อาชีพที่จเจริญรุ่งเรืองในโลกคื อ, อาชีพอะไร อาชีพปานาทิบาตก็เจริญอาชีพอทินนาธานก็เจริญรุ่งเรืองในโลกอาชีพสายกาเมีก็เจริญรุ่งเรืองอาชีพมุสาก็เจริญรุ่งเรืองเพราะอาชีพที่เจริญรุ่งเรืองแม้แต่อาชีพสายสุรามีไรก็เจริญรุ่งเรืองเพราะอาชีพที่เจริญรุ่งเรืองโดยมากอากุศลกรรมบดนั่นเองวงอากุศลกรรมบทซะส่วนใหญ่เมื่อเพราะฉะนั้นมันถือว่ายากนะเพราะองค์จึงบอกว่าคนที่อยู่ครองเรือนและไม่เปื้อนบาปทําได้ยากหาได้ยาก พันโดยมากนี่ก็ไปเพื่อนบาปเพื่อนอกุศลมาทั้งนั้นมันเอ๊จะออกได้ยังไงจะออกได้ยังไงเนี่ยน ะ, ะมันมีแต่ใจคิดอย่างนั้นครั้งนั้นแม้กระทั่งพวกญาติจะเชื้อเชิญเราคือไม่ใช่ขณะที่เป็นอโยคระบัณฑิตเท่านั้นนะแม้ขณะที่เป็นโซนักุมารญาติทั้งหลายมีพ่อแม่เป็นต้นผู้บริโภคการผู้มีอัธยาศัยในกามคือปกติพ่อแม่นะก็หมกมุ่นอยู่ในกาล ม, มีอัธยาศัยมุ่งไปเพื่อกามเชิญเราด้วยโภคะ อันมากมายว่าลูกเอ้ยลูกจงมาครองสมบัติทรัพครองทรัพย์80โกดนี้เถิดจงดมรงวงตระกูลวงสกุลต่อไปเถอดเนี่ยนะเราได้บอกความพอใจของตนแก่ญาติของเราเหล่านั้นว่าท่านทั้งหลายอย่าเชื้อเชิญเราด้วยกามัพโควะเหล่านั้นเลยเราได้บอกถึงอัธยาศัยที่น้อมไปในการบรรประชาคือมีอัธยาศัยน้อมไปเพื่อจะออกอ น, นะ ก็ อ, กอย่างว่าต้องต้องทบทวนไม่เสมอนะว่าน้อมไปเพื่อจะออกกันน้อมไปเพื่อจะมกมุ่นมีโทษต่างกันอย่างไรเนี่ยนะมีโทษอย่างไรหมายความว่าดีดีดีอย่างไรถ้าออกดีอย่างไรถ้าน้อมไปเพื่อหมกมุ่นแล้วเป็นอย่างไรเนี่ยนะบทว่าโส so, ปิมังอนุสิกขันโตแม้นันทกุมารก็ศึกษาตามเรา คือ น, นันทากุมารเนี่ยนะก็เขาก็มาจากพรหมโลกนะก็พิจารณาโทษของกามทั้งหลายโดยในเป็นต้นมาชื่อว่ากามทั้งหลายนี่มีความยินดีน้อยมีทุกมากมีความคับแค้นมากก็จะได้ความอยองก็เแล้วว่าแม่จะได้อะไรที่ตัวเองพอใจสักอย่างหนึ่งทำไมมันทุกขนาดนี้เขาบองั้นนะทุกจริงๆกว่าจะได้ได้ง่ายๆไม่มีแม้แต่ชิ้นเดียวมีแต่ยากหมดเลย พระฉะนั้นก็บอกว่าไอ้กว่าจะได้ความยินดีเล็กน้อยสักเรื่องหนึ่งเนี่ยนะมันได้ความลําบากมามากมายเรียกว่าเลือดตาแทบกระเด็นก็ว่างั้นนะไอ้น้ำตากระเด็นนี่ถือเรื่องปกติอยู่แล้วใช่ไหมเลือดในตานี่มันแทบไหลปริ่มออกมากว่าจะได้มาสักอย่างหนึ่งมันช่างยากแท้เนี่ยนะเพราะเพราะอะไรเพราะทุกคนก็มีแต่ความต้องการเหมือนกันหมดเมื่อเรียกวัตถุดิบในโลกมันจํากัดทุกคนก็อยากจะครอบครองมันศึกชิงสิ่งเหล่านี้จึงจึงตามมา คือว่าเงืแก้วแหวนเงินทองในโลกมันเป็นเป็นวัสดุที่มีจํากัดใช่ไหมเมื่อมีจํากัดมันก็ต้องแย่งกันเฉนั้นใครมีบุญมากก็เอาชนะไปใครที่มีปัญญามากก็เอาไปไอ้คนปัญญาเน้นๆจะไปทำยังไงเอ้ะก็เที่ยวไปมาเอาไปเอามาก็แม้กระทั่งหาจะอิ่มท้องก็ยังยากนะเว้นแต่ไม่บางคนก็ไม่ยอมทานนลยนะยากจริงอดทาอะไรก็ไม่รู้บายบายสิ้นแปดก็ไม่ได้นะแต่อดข้าวนี่แม หน้าทุงสาลเรื่องกันนะโรงเรียงเราเนี่ข้าวก็ไม่กินแต่ศีน8ก็ไม่ถือต่อไปอีกว่าครั้นเข้าไปก็สร้างอาสมเนี่ยนะสรปว่าในที่สุดก็ออกบวชใช่ไหมออกบวชก็คือทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งพี่ทั้งน้องออกบวชหมดเลยก็ไปบวชพี่น้อง2คนบํารุงมารดาปิดาเนี่ยนะไปพ่อแม่ก็ออกบวช ด, ด้วยใช่ไหมลู ก, กออกบวชในที่สุดเนี่ยนะนันทบัณฑิต ก็คิดว่าเราจะให้มารดาบิดาบริโภคผลาผลที่เรานำมาเท่านั้นจึงนำผลาผลที่เหลือเมื่อวานนี้และที่ตนหาอาหารในวันก่อนๆเอามาแต่เช้าตรู่มาให้พ่อแม่บริโภคส่วนมารดาบิดาบริโภคผลไมา้เหล่านั้นแล้วก็บ้วนปากรักษาอุโบสถนะคือพ่อแม่ไอ้นันทบัณฑิตเนี่ยนะเขาก็อยากเลี้ยงดูพ่อแม่มากไอแต่ความที่แบบแบบคาวานี้ใส่โกงนิดๆ น, น่ะ เพราะฉะนั so, it, so, all, angry, said, u, ้นพอไปเก็บหาอะไรได้ก็ให้กินกินไปก่อนเถอะเดี๋ยวแล้วพ่อแม่ก็รักษาศีลก็เหมือนกับว่าอะไรนะคล้ายๆแกล้งอ่ะแต่จริงๆเจตนาดีนะเจตนาดีแต่ไอความที่ไม่ไม่รักษาสุขภาพเป็นต้นเนี่ยก็เลยว่าเก็บเอาแต่พลาผลที่อะไรเอาพลาผลเก็บไว้วันก่อนๆเนี่ยนะเอากึ่งกึ่งเน่าบ้างมีโทษแล้วบ้างผลไม้ที่ไม่ดีบ้างเอาไปให้พ่อแม่บริโภคโณบัณฑิตนี่เข้าไปไกรเขาก็ได้ชานะเขต้องเหาะไปหา ผลไม้ที่มันได้ดิบได้ดีหาผลาไม้ที่มีคุณค่ามีประโยชน์พอรู้ว่าอะไรที่ที่จะมีรสอร่อยแล้วก็มีคุณค่าที่จะให้พ่อให้แม่แต่ก็ไม่เคยทันนันท่าบัณฑิตซากทีหนึ่งนันท่าบัณฑิตดีไม่ดีไม่รู้ขอให้แม่ทานไว้ก่อนนะขอให้พ่ออิ่มไว้ก่อนนีใช้ได้แล้วมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ไม่รู้พันผลไม้ของน้องชายเนี่ยพ่อแม่ทานเพราะของพี่ชายที่ไปหาของดีๆพ่อแม่ไม่ได้ทานเพราะว่า ทานเสร็จแล้วก็แลกกันไปเนี่ยนะแล้วก็พันก็ได้แต่ทานแต่สิ่งที่ไม่มีประโยชน์เนี่ยนะได้ทานแต่สิ่งที่ไม่มีประโยชน์พระโพธิสัตว์ก็เลยคิดว่าพ่อแม่เนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้เบาบางเนี่ยสุขภาพไม่ดีเพราะอะไรพราะลูกชายคือน้องเออขอพายพ่อน้องชายนั้นถ้าบัณฑิตเนี่ยนะนำแต่ผลดิบบ้างหรือสุกไม่ดีบ้างเอาผลไม้แบบสุกแบบไม่ดีนะผลไม้ที่ไม่ไม่มีคุณภาพมาให้พ่อแม่บริโภคเมื่อเป็นอย่างนี้พ่อแม่อายุไม่ยืนแน่ รู้เลยว่าพ่อแม่ต่อไปอายุไม่ยืนเพราะจะห้ามน้องก็เลยเรียกน้องมาบอกว่านันทะตั้งแต่นี้ไปนะน้องจะต้องนผลมะอ่าถ้าน้องจะนำผลไม้มาให้พ่อแม่บริโภคเนี่ยนะต้องรอพี่กลับมาก่อนนะก็บอกน้องดีๆนะบอกว่าก่อนที่จะให้พ่อแม่ทานนะรอพี่กลับมาก่อนโซอันนันทบัณฑิตอยากได้บุญอย่างเดียวอยากเลี้ยงดูพ่อแม่ไม่ทำตามคำของพี่ชาย จะเอาแต่บุญเพราะฉะนั้นมีอะไรก็ถวายไปก่อนเนี่ยนะยกให้พ่อให้แม่ไปก่อนพระโพธตอนหลังเนี่ยนะน้องชายไม่ฟังพระโพธิสัตว์ก็เลยตบมือไล่ปรบมือเนี่ยนะไล่น้องไม่ทำตามคำของพี่พี่เป็นพี่นะพ่อแม่เป็นภารักของพี่พี่จะกบำบังงมารดาบิดาเองน้องจงไปจากที่นี่ซะไปไปที่ไหนก็ไปไปเถอะไม่ต้องอยู่ด้วยกันแล้ว เพราะฉะนั้นก็ที่จริงก็มีการอธิบายเยอะกว่า น, นี้นะแต่ว่าบอกไปเถอะแต่ว่าโดยสรุปก็คือเธอเนี่ยหวังดีต่อพ่อแม่อยากได้บุญแต่เธอทําแบบนี้คือการฆ่าพ่อแม่เธอไม่รู้รอกนะนะเพราะฉั้นไปที่ไหนก็ไปเถอะมันผู้ที่รับภาระในการเลี้ยงดูพ่อแม่คือคนที่เป็นพี่เนี่ยนะคนพี่เนี่ยคือคนที่รับภาระในการเลี้ยงดูพ่อแม่เพราะันโบราณก็จะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมโบราณทั้งหลายก็ถือว่าคนพี่คือคนที่เลี้ยงดูพ่อแม่ นั่นถ้าบัณฑิตนี้ถูกพี่ชายเนี่ยไล่ไปก็ไม่อาจจะอยู่ในที่นั้นได้ก็ไหว้พระโพธิสัตว์ไปเล่าเรื่องราวให้พ่อแม่ฟังไปยังบรรณาศาลาของตนไปเพ่งกระสินะนะธรรมปิญญาสมาบัติให้เกิดเน่ยนะตัวเองก็คิดว่าจักนำทรายรัตนะมาจากเชิงเขาสีรุ่มาเกลี่ย บ, บริเวณศาลาพี่ชายแล้วก็ขอขมาผู้เองนี่ก็โอ้น้อยใจเนี่ย น, น้อยใจเสร็จก็ไปเจริญฌาน ทำฌานได้ได้จะอภิญญาห้าสมาบัติ8เสร็จเอจะขอเข้ามาพี่ชายยังไงดีว่พาพี่ชายเรไล่เราแล้วเนี่ยเราจะเข้าไปหาท่านจะทํายังไงดีเนาะก็เลยเออเอาทรายทองมันดีกว่าเอาทรายแก้วทรายทองทรายเงินมาเกลีย่ยบริเวณขอเข้ามาหรือว่าจะเอาน้ําจากสาโนดาดมาขอเข้ามาหรือจะไปให้เทวดาเนี่ยมามัก ขอร้องเทวดาให้เทวดามาช่วยขอขมานำเท้ามหาราชทั้งสีนนำเท้าส ก, กะเอ๊ยก็ดูไม่ดีเอางี้ก็แล้วกันพระราชาเมืองพรหมวัฒนะ์พระนามว่ามโนชานี้เป็นอัรราชาทั่วชมพูทวีปเราจักนำพระราชาทั้งหมดตั้งแต่พระเจ้ามโนชานั้นมาขอขมาเอางี้ดีวพาพระราชาทั่วแผ่นดินมาเป็นบริวารแล้วพาพระราชาเหล่านั้นมาขอขมาพี่ชาย เมื่อเป็นอย่างนี้คุณของพี่ชายเราจักครอบงำไปทั่วชมพูทวีปจักปรากฏตุกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ก็คือต้องการจะให้หมู่ชนทั้งหลายได้เคารพพี่ชายเพราะว่า โซณบัณฑิตนั้นเป็นผู้ที่มีปัญญามากเนี่ยนะก็อยากให้หมู่ชนทั้งหลายให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยได้รู้จักโซณบัณฑิตเพราะว่าโซณบัณฑิตนั้นเป็นผู้มีคุณธรรมยากจะให้โซณบัณฑิตเนี่เป็นที่ปรากฏเป็นที่รู้จักของหมู่มหาชนเหมือนดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เนี่ยนะเพราะนั่นถ้าบัณฑิตนี่ก็คิดวางแผนไกลมากนะแต่มาขอเข้ามาด้วยวิธีอื่นก็มีวิธีเยอะแยะแต่วิธีนี้แหละ จะให้สภ์หมู่ชนทั้งหลายรู้จักกับโซนบัณฑิตที่นั้นนั่นถ้าบัณฑิตก็ไปด้วยริดลงที่ประตูพระราชนิเวศของพระราชานั้นในพรหมวัฒนนครให้คนไปทูลแก่พระราชาว่ามีดาบทคนหนึ่งประสงค์จะเข้าเฝ้าพระราชาก็พระราชาทานโอกาสให้ดาบทเข้าเฝ้าก็เลยทูลว่าอาตมาภาพจะยึดราชสมบัติชั่วทมพูทวีปด้วยกําลังของตนนํามาถวายพระองค์ ก็จะถวายราชสมบัติทั้งประเทศเนี่ยทั้งโลกนี่ให้พระราชาก็ถามว่าพระคุณท่านจะยึดราชสมบัติทั่วชมพูทวีปมาให้ได้อย่างไรฤาษีก็บอกว่ามหาราชอาตมาจะไม่ฆ่าใครใครจะยึดด้วยฤทธิ์ของตนเท่านั้นแล้วนำมาถวายเสร็จแล้วก็พาพระราชาพร้อมด้วยเสนามูใหญ่ไปจนถึงแควนโกสลพักพักค่ายเอาไว้ไม่ไกลพระนครทรงทูต ไปแก่พระเจ้าโกศลว่าจะรบหรือจะยอมอยู่ในอำนาจพระเจ้าโกศลก็ไม่ยอมโกรธมากก็เลยทำการรบเนี่ยนะก็จัดตั้งกองทัพเพื่อออกมารบ น, นะด้วยฤทธานุภาพของนันทบัณฑิตนักรบท้องทั้งสองฝ่ายก็ไม่ได้ทำร้ายการตระเตรียมด้วยการนําคำโต้อตอบซึ่งกันและกันที่พระเจ้าโกศลเนี่ยนะในที่สุดก็เขามีการแบบอะไรนะ ทำโล่ทําข่ป้องกันไม่มีการตายนะเสนาทั้งสองฝ่ายไม่มีการตายแล้วก็มีการพูดคุยกันในที่สุดพระเจ้าโกศลก็นับถือพระเจ้ามโนชาเนี่ยนะแห่งแคว้นกาสีในที่สุดก็พระราชาในทั่วราชอาณาจักรทั้งหมดตกอยู่ใต้อำนาจของพระเจ้ามโนชาหมด น, นะก็มีพระราชาบริวารเยอะแยะไปหมดเลยพระราชานั้นทรงยินดีอยู่กับนันทบัณฑิต ตรัสกับนั่นถ้าบัณฑิตว่าฆ่าแต่ท่านผู้เจริญพระคุณท่านนี้ได้ทําเหมือนอย่างที่ปฏิญญาเอาไว้เนี่ยนะปฏิญญาไว้อย่างไรก็ได้อย่างนั้นจริงพระคุณท่านเป็นผู้มีอุปการะมากแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจักทาอะไรตอบแทนพระคุณท่านได้เล่า้ช่วยเหลือได้ทุกอย่างจริงจรข้าพเจ้าปรารถนาจะให้ราชสมบัติกึอกหนึ่งในชมพูทวีปทั้งสิ้นแก่พระคุณท่านบอว่าแบ่งราชสมบัติครึ่งหนึ่งให้แล้วก็แล้วกัน ก็เลยกำหนดช้างกำหนดมา้ากำหนดรถกำหนดแก้วมันีแก้วมุกดาแก้วประพานเงินทองธาตุหญิงชายบริวารชนว่าตรรงว่าท่านจะเอาอย่างไรนันถ้าบัณฑิตพอได้ฟังอย่างนั้นก็บอกว่ามหาราชอาตมาไม่ต้องการด้วยราชสมบัติแม้พหานะช้างเป็นต้นก็ไม่ต้องการแต่ว่ามารดาบิดาของอาตมานี่บวชอยู่ในอาสม น, นูในแคว้นของพระองค์ อาตมาภาพบำรุงมารดาบิดาเหล่านั้นถูกโซนะบัณฑิตพี่ชายของอาตมาพี่ชายผู้สแสวงหาคุณธรรมอันยิ่งใหญ่พี่ชายคนนี้ไล่ในเพราะความผิดอย่างหนึ่ง น, นะเพราะอาตมาทำผิดบางอย่างพี่ชายก็เลยไล่มาแต่ว่าแม้อยากจะบำรุงพ่อแม่เหลือเกินในหางพ่อหางแม่อยากจะเลี้ยงดูพ่อแม่เนี่ยนะอาตมาภาพจักพาพระองค์ไปหาพี่ชายเพื่อขอขอมาที่ทาทั้งหมดเนี่ยจะได้พาพระองค์เนี่ย ไปให้พี่ชายอดโทษขอพระองค์จงเป็นเพื่อนในการให้พี่ชายของอาตมาภาพยกโทษให้ด้วยเถิดนะเหมือนกับเรื่องราวใหญ่โตเลยนะถ้าเป็นแบบของพวกเราเาอาจจะคิดเรื่องเรื่องเล็กเรื่องน้อยเนี่ยเรื่องยุ้มยิ้มๆอะไรเงี้ยนะแต่แหมถ้าในความคิดของนันทบัณฑิตเขาบอกโอ้ยเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากจะต้องหาพระราชานี่ยแหละเป็นบริวารเป็นเพื่อนเป็นบริวารเนี่ยไปขอขมาพี่ชายในที่สุดนันทบัณฑิตก็นำหน้าไปจนถึงอาสมบท แล้วก็ปล่อยระยะไว้ที่ส อ, อังคุละเนี่ยนะเสร็จแล้วก็ไปนําน้ํามาจากสาโนดาดหาบด้วยเครื่องหาดอยู่บนอากาศเตรียมน้ําดื่มกวาดบริเวณเสร็จแล้วก็เข้าไปหาพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ผู้เอิบอิ่มยินดีอยู่ในฌานนั่งอยู่ใกล้มารดาพิดาไปถึงก็ไปขอขอมาพระโพธิสัตว์ให้นันทบัณฑิตดูแลมารดาจริงๆเขามีเรื่องไอระหว่างการขอขมาสนทนากันเยอะเนี่ยนะสนทนากันเยอะมากในในโสนันทบัณฑิต ใ น, ในโซนนันทชาดกอะนะผู้ใดยอยากรู้รายละเอียดพิสานก็ไปดูเอาที่นั้นแต่ว่าสรุปในที่สุดอ่นนะก็ขอขมาสำเร็จทีนี้พอขอขมาสำเร็จก็มาควรว่าเอาเนี่ยเธอจะบำรงพ่อหรือบำรงแม่ดีให้ให้ให้พ่อแม่เลือกเอาแล้วกันว่าพ่อแม่เนี่ยใครอยากจะให้ใครบารงในที่สุดนันามารดาก็นันทมันดิตก็ดูแลมารดาเป็นผู้เลี้ยงดูแม่นะอุปถัมภ์แม่เป็นหลักส่วน บิดาพระโพธิสัตว์ก็บำรุงจนตลอดชีวิตพระโพธิสัตว์นั้นแสดงธรรมแด่พระราชาด้วยพุทธลีลาว่ า, านะมาดูคําสอนเกี่ยวกับการเลี้ยงดูพ่อแม่ว่าความยินดีความบันเทิงอันผู้รู้พึงได้เพราะบำรุงบำเร ม, มารดาให้ท่านหัวเราะแจ่มใสยอยู่ทุกเมื่อความยินดีความบันเทิงอันผู้รู้พึงได้เพราะบำรุง บำเบรบิดาให้ท่านหัวเราะแจ่มใสอยู่ทุกเมื่อเขาบอกว่าวิธีที่เรียกว่าเลี้ยงดูพ่อแม่เนี่ยนะเลี้ยงดูให้ท่านหัวเราะได้อุปถากดูแลท่านให้ท่านหัวเราะได้อะนะใครที่ทําเลี้ยงดูพ่อแม่ให้ท่านหัวเราะได้ไม่ใช่ไปพูดโจกให้ท่านขำนะไม่ใช่หมายว่าเลี้ยงดูให้ท่านอย่างสบายใจให้ท่านอยู่อย่างมีความสุขใจเนี่ยถ้าทําได้อย่างนี้จริงคนนั้นจะได้แต่ความยินดีจะได้แต่ความ บันเทิงถือว่าประสบความสำเร็จในการบำรุงผู้ทรงพระคุณเนี่ยนะมันก็เท่ากับเลี้ยงดูะ้าหันได้อย่างได้อย่างเต็มที่สังหาวัตถุการสงเคราะห์เหล่านี้แลในโลกตามสมควรในธรรมนั้นๆั น, นนะคือสังขาวัตถุสี่คือ1ทานการให้สองปิยะวาจาการเจรจาถ้อยคำอ่อนหวานสาม อัถจริยาการประพฤติเป็นประโยชน์4สมานตตาการวางตนเสมอต้นเสมอปลายดุดลิ่มรถที่เล่นไปฉะนั้นถ้าการสงเคราะห์คือสังคหาวตถุ4ประการเหล่านี้ไม่มีพ่อแม่ย่อมไม่ได้การนับถือหรือการบูชาเพราะเหตุแห่งบุตรหรือบิดาย่อมไม่ได้การนับถือหรือการบูชาเพราะเหตุแห่งบุตรเพราะบัณฑิตทั้งหลายไม่ أ, เพราะบัณฑิตทั้งหลายเพ่งเล็งโดยชอบซึ่ง สังฆาวัตถุวัตถุแห่งการสงเคราะห์4ี่เหล่านี้ฉะนั้นจึงเป็นผู้ยิ่งใหญ่และได้รับการสรรเสริญนคนที่เป็นบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยนะคนที่เป็นบัณฑิตทั้งหลายเขามีการให้ให้โดยเฉพาะให้พ่อให้แม่เจรจาแต่ถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวานกับพ่อแม่ประพฤติให้เป็นประโยชน์ ว่าสิ่งใดที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่พ่อแม่และก็วางตนในการบำรเรอดูแลท่านอุปถัมภ์ท่านอย่างเสมอต้นเสมอปลายเนี่ยนะท่านให้แล้วก็ไปเจราจาถ้อยคำที่ไพเราะประพฤติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อท่านแล้วก็วางตนตัวเองเสมอต้นเสมอปลายกับท่านถ้าทำได้อย่างนี้เขาจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่และได้รับคําสรรเสริญว่าพระพุทธเจ้าทาอย่างนี้จนสาเร็จจริง มารดาบิดาพระพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นพรหมคือเป็นผู้ที่ดํารงอยู่ด้วยพรหมวิหารต่อบุตรมารดาบิดาเป็นบุรพาจารย์เป็นอาจารย์คนแรกของบุตรมารดาบิดาเป็นผู้ควรบูชาอย่างยิ่งของบุตรทั้งหลายเพราะมารดาบิดาเป็นผู้อนุเคราะห์สัตว์พ่อแม่ท่านบอกว่าเป็นพรหมของลูกยามเมื่อลูกอยู่ในคันเนะ พ่อแม่เคยคิดไหมบอกเออขอให้ลูกในครรภ์นนะเกิดมาตาบอดหูหนวกพิการเป็นต้นมีไหมไม่ ม, มีขอให้ลูกเราเกิดมาเป็นลูกที่น่ารักมีอวัยวะครบถ้วนสมบูรณ์งดงามเนี่ยนะก็อันนี้คือลักษณะของเมตตาของพ่อแม่ใช่พ่อแม่พ่อที่พ่อแม่ที่อยู่ว่าโอ้ลูกที่อยู่ในครรภ์ขอให้ลูกเกิดมามีความสุขมีอายุยืนสุขภาพแข็งแรงผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่จริ ง, รงๆเนี่ยท่านเป็นอย่างนั้นอนะันนั้ เสร็จแล้วท่านพอคลอดออกมาปั๊บท่านก็ยังอะไรนะเวลาลูกเจ็บป่วยไม่สบายพ่อแม่ก็ป่วยหนักกว่าป่วยมากกว่าลูกอีกเพราะอะไรเนี่เป็นกรุณาว่าทำไฉลูกถึงจะพ้นไปจากความทุกข์อันนั้นเป็นกรุณาของพ่อแม่ทั้งหลายที่คอยสงสารเป็นห่วงเป็นใยพลิกน้อมไปเพื่อบำบัดทุกข์ของลูก ท, ทั้งทั้งที่ตัวเองยอมทนยอมกล้ากลื่นยอมทุกข์ยอ ม, ย, อ ม, ย, อ ม, ย, อมยากยอมลําบากเพื่อให้ลูกพ้นจาก ความทุกสแสวงหาทุกอย่างเพื่อจะช่วยทำยังไงลูกจะได้พ้นจากความทุกข์เนี่ยนะแม่พูดยังก็เคยมีลู ก, กนะเคยแล้วในอดีตชาติเหมือนกันแต่พูดถึงว่าเห็นจากพ่อแม่ที่เขาทำทำเนี่ยนะก็บอกอะไรนะหยาดเหงื่อทุกหยดเพื่ออนาคตของลูกนเหนื่อยอับสายตัวแทบขาดยังไงก็เพื่อเพื่อลูกว่าถ้าไม่มีลูกพ่อแม่หลายคนสบายกว่านี้เยอะเนี่ยนะ นอนแค่เรียกว่ากินก็เป็นสุขหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขนั่นแหละนะแต่เพื่อลูกตัวเองก็เลยทุกเลยมุ่งจะบำบัดลูกให้ลูกพ้นจากความทุกข์ให้ลูกประสบแต่ความสุขความเจริญในโลกนี้ใครที่ได้ดีแล้วอ่ะคนที่ดีใจที่สุดก็คือพ่อแม่ดีใจที่สุดเลยนะบางคนเนี่ยเห็นลูกประสบความสำเร็จเล็กน้อยเนะี่ยพูดถึงแล้วพูดถึงอีกดีใจแล้วดีใจอกีกเมื่อไม่นานเนี่ยเามีโยอมคนหนึ่ง ลูกเขาประสบความสำเร็จไปแข่งอะไรสักอย่างหนึ่งชนะเนี่ยนะไปที่ไหนก็พูดแต่ชัยชนะของลูกนั่นแหละพูดแล้วพูดอีกพูดพูดไม่รู้จบรู้สิน้นเพราะพ่อแม่คือผู้ที่บันเทิงกับลูกที่สุดเนี่ยนะั้นลูกนั้นจึงชื่อว่าเป็นพระเอกในแก้วตาดวงใจของ พ่อแม่เสมอเป็นคนที่น่าสงสารที่สุดในสายตาของพ่อแม่เป็นคนที่ท่านมุทิตายินดีด้วยที่สุดในสายตาของพ่อแม่เป็นผู้ที่พ่อแม่ยินดีบันเทิงด้วยเมื่อลูกไปดีมีสุขดูแลตัวเองได้ก็ขอให้ลูกไปดีมีสุขก็วางใจได้เมื่อลูกประสบความสุขและความเจริญนั้นพ่อแม่จึงเป็นพรหมของลูกขณะเดียวกันพ่อแม่ท่านเรียกว่าเป็นบุรพาจารเป็นอาจารย์คนแรกของลูก นะตอนที่ไปบรรยายสอนอคุยกับเด็กหนูหนูรู้ไหมใครสอนให้หนูพูดคำแรกพ่อแม่ครับก็บอกงั้นพ่อแม่ครับพ่อแม่ค้าวอ่ะเอาหนูทั้งหลายแล้วใครสอนให้หนูหัดเดินยืนเดินนั่งนอนก็บอกพ่อแม่แล้วใคร ใครที่ช่วยดูแลหนูทั้งหลายบอกพ่อแม่สรุปว่าใครส่งเสียเล่าเรียนทั้งหมดบอกสรุปพ่อแม่หมดพ่อแม่สอนแม้กระทั่งสิ่งที่ทำคำที่พูดกิริยามารยาทการยืนเดินนั่งนอนกิริยาอาการแค่ไหนเหมาะสมควรทำอะไรแค่ไหนเมื่ อ, อไรอย่างไรเนี่ยนะถ้าไม่ใช่พ่อแม่ใครจะไปทนอะไรได้ขนาดนั้น น, นะไม่เชื่อก็อรั บ, ร, บรับเลี้ยงเด็กดูเธอเนี่ยนะรับฝากยังเด็กชั่วคราวดูเนี่ยนะไม่ใช่ยาติโกโหติกาไม่ใช่วงสาคณะญาติไม่ใช่อะไรสักอย่างแลยนะต้องสอนเขาตั้งแต่เธ อ, อสรุปว่าชีวิตไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเลยทุกอย่างอนุวัตแล้วแต่ลูกสุดแท้แต่ลูกเธ อ, อ น, นะสุดแท้แต่ลูกทั้งหมดเลยนะท่านชีวิตของพ่อแม่เนี่เหมือนกับว่าเหมือนกับ ว, ว่าอุทิศชีวิตเพื่อเพื่อลูกทั้งหมดจริงๆเลยนะ เพราะฉะนั้นสรุปว่าพ่อแม่เป็นทั้งพรมเป็นทั้งบูรพาอาจารย์เป็นอาจารย์คนแรกที่โอวาสแนะนำสั่งสอนทุกประการสมควรแล้วท่านจึงเป็นปูชนียบุคคลของ ลูกทั้งหลายลูกทั้งหลายถ้าพ่อแม่ยังไม่ครบนบอย่าไปคิดเลยว่าเขาจะไปครบอย่างอื่นเป็นต้นมันพระพุทธเจ้าบอกว่าพระองค์เองก็ยังเป็นอาจารย์คนหลังนะพ่อแม่พ่อแม่ของเธอเป็นอาจารย์คนแรกมันอาจารย์สารณะอาจารย์ที่สอนเรื่องศีลเรื่องสารณคมเรียกอาจารย์หลังๆทั้งนั้นแหละเป็นเรียกว่าเป็นอาจารย์รุ่นหลังแต่ทั้งหมดนี่พ่อแม่เป็นอาจารย์เป็นผู้ที่แนะนําทุกอย่างเป็นผู้ที่มุ่งอนุเคราะห์สงเคราะห์ต่อ โลกทั้งหลายเนี่ยนะเพราะฉะนั้นบัณฑิตพึงนอบน้อมสการะบูชามารดาบิดาเหล่านั้นด้วยอะไรบ้างด้วยข้าวด้วยข้าวเนี่ยนะแต่ที่แน่ๆพ่อแม่เตรียมข้าวให้ใหลูกนะลูกที่เตรียมข้าวให้พ่อแม่ไม่มากนะนะฉะนั้นจึงควรสการะบูชาด้วยข้าวด้วยน้ําด้วยผ้าด้วยที่นอนด้วยเครื่องนุ่งเครื่องผอมเป็นต้นไม่ใช่ลูกใช้สิเหลือแล้วไปฝากพ่อฝากแม่ไงไม่ใช่ มันก็เป็นต้องบูชาสักการะนะก็ทุกอย่างปณีทนนก็ควรที่จะอุทิศให้แก่พ่อแม่น้ําอาบอาหาน้ําอาบเป็นต้นล้างเท้าเป็นต้นให้ท่านบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญบุคคล น, นั้นในโลกนี้ด้วยการบํารุงบําเรอในมารดาบิดาทั้งหลายผู้ที่ทําได้อย่างนี้ตายจากโลกนี้ไปแล้วย่อมบรรเทิงในสวรรค์นะพระราชาทั้งหมดพอได้ฟังคําสอนของโสนะ บันดิตโสนะบันดิตก็เลื่อมสายพร้อมกับกองพลครั้งนั้นพระโพธิสัตว์ให้พระราชาเหล่านั้นตั้งอยู่ในศีลห้าเนี่ยนะเราขอให้สอนพระราชาเหล่านั้นให้พ้นจากเวรทั้งหนะให้แล้วก็สอนโอวาทว่าขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทในการให้ทาน นะจงให้ทานจงเจรจาแต่ถ้อยคําที่อ่อนหวานกระทําตนให้เป็นประโยชน์วางตนเสมอต้นเสมอปลายเป็นต้นน่ยนะแล้วก็ปล่อยพระราชาเหล่านั้นกลับไปพระราชาทั้งหมดเหล่านั้นก็ครองราชสมบัติโดยธรรมสวรรคตแล้วก็มีสวรรค์เป็นเบื้องหน้าพระโพธิสัตว์นั้นให้นันทะบัณฑิตดูแลมารดาส่วนตัวเองก็บํารุงบิดาสรุปว่าบํารุงบิดามารดาจน ตลอดชีวิตสองพี่น้องเมื่อถึงแก่กรรมก็เกิดในพรหมโลกมารดาบิดาในครั้งนั้นก็คือมหาราชก็คื อ, อบิดาก็คือพระเจ้าสุโธธนะมารดาก็คือพระนางสิริมหามายานันทบัณฑิตก็คือพระอานนทีระพระราชาก็คือพระสารีบุตรพระราชาร้อยเอดก็คืออสีติมมหาเทระทั้งหลายพระเทระและพระเทระรูปอื่นๆ บริษัททั้ง24อักโขพนีก็คือพุทธบริษัทนะโซนะบัณฑิตก็คือพระโลกกนาธาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งของโลกสามมันคุณธรรมของพระโพธิสัตว์ในชาตินี้เนี่ยนะท่านเป็นผู้ที่ไม่คํานึงในกามทั้งหลายโดยสิ้นเชิงเพราะเห็นโทษเห็นโทษของอะไรเห็นโทษของม ห, มหาพูดเนี่ยนะเห็นโทษของมหาพูดมหาพูดเนี่ยนะแม้ถ้าใครไปไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นที่ไม่เศร้ามองกลับมาเนี่ยยากเพราะงกัน คณะเดียวกันท่านเป็นผู้ที่มีความเคารพยำเกรงอย่างแรงกล้าในบิดามารดาทั้งหลายไม่อิ่มด้วยการบำรุงบิดามารดาไม่มีคาว่าอิ่มไม่มีคาว่าพอนี่ยนะยินดีที่จะให้พ่อแม่อยู่อย่างมีความสุขถือว่าเป็นภาระถือว่าเป็นหน้าที่ตอนแรกก็คิดว่าถ้าพ่อแม่อาจจะดูแลพ่อแม่จนกว่าพ่อแม่จะาจะ สิ้นชีวิตตัวเองก็จะค่อยไปบวชตอนหลังก็พ่อแม่ก็ไปบวชได้ถึงบวชแล้วก็ยังดูแลบารุงบดูแลเอาใจใส่พ่อแม่จนท่านสิ้นชีวิตเสร็จ แ, แล้วถึงว่าบำรุงพ่อแม่ก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยฌานและสมาบัติวิหารธรรมเนี่ยนะสมาบัติวิหารธรรม อนุสมแล้วที่เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์เนื่องจากพระองค์นั้นประพฤติจริยาอย่างนี้พันเราเวลากล่าวถึงพุทธัทงสระนางังฆะฉามีเป็นต้นก็ควรกล่าวด้วยความภาคภูมิใจว่าเราได้มีศาสดาที่มีคุณธรรมเช่นนี้แม้อดีตพระองค์ก็มีคุณธรรมเช่นนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้เป็นพระพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เนื่องจากพระองค์ประพฤติในจริยาวัดเหล่านี้หลายท่านอาจจะยังทําไม่ได้หรือยังไม่ได้ทํา แต่ก็ขอว่าให้ตั้งอัตตาสัมมาปณิทิว่าขอให้มีโอกาสได้ทำทำได้มากได้น้อยบุญทั้งหลายเนี่ยนะคุณงามความดีทั้งหลายทำถึงจะทำน้อยแต่ก็เป็นสิ่งที่มีอุปการะเนี่ยนะเป็นสิ่งที่มีอุปการะก็เหมือนกับว่ายารักษาโรคถึงจะเม็ดเล็กก็เป็นยารักษาโรคน้าดื่มน้ำที่เป็นประโยชน์ถึงจะเป็นน้ำบ่อน้อยก็ยังมีประโยชน์ ถึงจะทําไม่มากก็มีประโยชน์ไม่เหมือนกับบาปบาปนะั่จะทำํำซะใหญ่โตเท่าภูเขาเหล่ากาก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรบุญถึงจะทําแม้ทําเล็กทําน้อยบุญทั้งหลายก็มีประโยชน์เพราะฉะนั้นวันวนหนึ่งให้จิตเป็นไปกับบุญเป็นไปกับกุศลได้สิ่งนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลและเพื่อความสุขเนี่ยนะ